พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าหนีออกจริงๆไม่มีใครรู้รู้เป็นความลับก็คือนายันนะจากนันก้นไปจับม้าขันทกะเอามาจาับคอกตกแตงนะ่งขึ้นขี่หลังบึงเลยถ้าว่าบอกให้พี่น้องประชาชนคนกรุงกบินลพนัฒน์เราจะไปบวชแล้วนะคืนนี้นะหรือวันนี้นะ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 ถจะหลับตาอยู่ก็เถอะถ้าเขายกย่องสระเสริญขึ้นมาเนี่ยดีใจถ้าเขาดาะะ่าแลยสิไอ้นั่นไอ้นี่ดา่าน็่ม่แสดงไม่ความค ร, รบมันก็ชนขึ้นมาอีก เ, ออเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอีกนี่หละสรุปแล้ว ค, คือใจดวงนี้เนี่ยท่านจึงว่าถ้าไปเห็นทางตา เ, เกิดลาคะว่าคะ า, าคกินา